เมื่อวันยังพูดถึงท่านอาจารย์กฤษอยู่คนแก่แล้วนะบางทีจำชื่อท่านแม่นบางทีลืมไปเฉยๆเลยบางทีมันก็แ l a n เอาเฉยๆนึกเอ๊ะท่านชื่ออะไรเนะาะเมื่อวันสัญญานะมันไม่เที่ยงสมองก็ต้องเสื่อมพออายุสี่สิบแปดขึ้น มันจะเริ่มเสื่อมช่วงที่แข็งแรงที่สุดช่วงสามห้าสามหกอันนั้นทางทางสมองนะทางร่างกายกช่วงยี่5บสี่ยี่ห้าคนโบราณเขาแบ่งไว้เป็นรอบๆ1 1หนึ่งถึงสิบสองปีก็เด็กๆต่อมาเป็นช่วงที่กำลังโตขึ้นมา ช่วงโตเต็มที่แล้วอ่อสี่สิบแปดนี่เริ่มสุดโสมแล้วค่าเฉลีย่ยคนยุคเราถ้าตามคำผีก็เจ็ดสิบห้าทางการแพทย์ไม่ทราบเท่าไหร่นต่ดูสถิติบางอย่างก็น่ากลัวนะคนไทยเครียดจัดเครียดจัดแบบมีแนวโน้อมอาจจะยอมค่าตัวตายได้ ประมาณล้านหนึ่งหกสิบคนกำลังคิดจะฆ่าตัวตายหนึ่งคนถ้าทนความทุกข์ไม่ไหวต่อไปมันจะเยอะกว่านี้ประเทศที่มันพัฒนาไปแล้วเนี่ยคนที่ฆ่าตัวตายอายุน้อยลงเด็กๆไปฆ่าตัวตายเยอะเลยเห็นพวกเรามีลูกมีหลานนะพามันเข้าวัดไป ให้มันมาวิ่งในวัดก็ยังดีตั้งแต่เด็กๆค่อยๆซึมซับวันหนึ่งมีความทุกข์ขึ้นมายังคิดถึงธรรมะได้บ้างหันมาสนใจหันมาศึกษายังพอเอาตัวรอดได้คนมันไม่เห็นไม่มีความน่ากลัวนะในสังสรารวัตก็คือคนเราไม่รู้จักมันมองมันไม่ออกถ้าเราภาวนาจนเรามองขํา พบข้าชาติไปจะรู้เลยว่าคนไปฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ได้แก้ทุกข์เลยมันมีแต่ทุกข์มากกว่าเก่าทุกข์นานกว่าเก่าอย่างเป็นมนุษย์นะมันทุกข์มากๆก็ปีสองปีสมมตทุกข์แรงๆปีสองปีอะไรเงี้ยความทุกข์มันก็ผ่านไปเพราะทุกอย่างมันต้องผ่านไปมันไปฆ่าตัวตายนะมันทุกข์นานอยู่ในภพอย่างนั้นพวกเรามีบุญวาสนาแล้วเราศึกษาธรรมะ วันนี้พระไล่เรียกกระยมแล้วหายใจก่อนอากาศชื้นๆนะหายใจไม่ค่อยออกวันนี้มีใครอยู่วัดไหมวันนี้ไม่มี้องคนส่งกันบ้านคนอยู่วัดตรวดกันบ้านก่อนถามนำมัสการค่ะ วันนี้มาแต่ยังรู้สึกแบบตื่นเต้นยังใจ ย, ยังดุหนหนักๆอะค่ะยังไม่ไม่สว่างเหมือนแบบทุกครั้งที่มาฟังเทศเฉยๆอาจจะมีความกังวลยนตหนิดวัดหลวงพ่อไม่มีอะไรต้องกังวลเลยนะมีแต่คนบอกว่าอยู่แล้วเหมือนรีสอร์ทมี <c oughs> แต่ผีดูไ้หน่อยนัน ดูไปนะภาวนาการปฏิบัติไม่มีอะไรหรอกรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนขั้นแรกต้องรู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่เป็นภาวนาไม่ได้หรอก <c oughs> ต้องตื่นขึ้นมารู้สึกตัวหลุดออกมาจากโลกของความคิดความฝันพอเรารู้สึกตัวหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันได้แล้วเราก็จะสามารถเห็นกายเห็นใจได้เห็นตามความเป็นจริงได้อย่างเวลาเราไปอยู่ในโลกของความคิดความคิดมันปิดบังความจริงจนหมด เราต้องดูของจริงดูลงที่กายดูลงที่ใจนะรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนพอรู้สึกตัวแล้วก็มารู้กายมารู้ใจไม่ใช่รู้สึกตัวอยู่เฉยๆบางคนจะเอาแต่รู้สึกตัวเฉยๆนะมันไม่เดินปัญญาแต่รู้สึกตัวแล้วก็ต้องมารู้กายรู้ใจบางคนไม่ยอมรู้นะก็อาศัยว่าเคยได้ยินได้ฟังว่ารู้สึกตัวแล้วต้องรู้กายรู้ใจยจิตมันก็จะย้อนมาดูกายดูใจ นี้ถ้ามารู้กายรู้ใจแล้วก็ต้องรู้ให้ถูกมุมของมันต้องให้เห็นใร ล, ลักษนะ์การมองให้ถูกมุมเลือกให้ถูกมุมของมันอาศัยสัญญาในเบื้องต้นญญาอ า, นสญญ า, าสัญญาอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาอาศัยการหมายรู้ไม่ใช่การการคิดนะสัญญาไม่ใช่แปลว่าคิดสัญญาแปลว่าการจำความจาได้อย่างหนึ่งการหมายรู้อย่างหนึ่ง ความจำได้เนี่ยหมายถึงว่ามีประสบการณ์เดิมส่วนการหมายรู้เนี่ยเป็นการเทียบเทียงข้อมูลใหม่เข้ากับประสบการณ์เดิมนะเช่นเราเคยจำได้ว่าผู้หญิงก็แต่งตัวอย่างนี้พอเราไปเห็นคนคนหนึ่งนะแต่งตัวคลับคล้ายคลับคลาอาศัยประสบการณ์เดิมมิเคราะห์คนนี้น่าจะเป็นผู้หญิงบางคนดูยากนะบางคนดูแต่งตัวก็ดูยากบางคนดูจิตก็ดูยากนะ ทุกวันนี้เพศสับสนปนๆกันดูลำบากไปเจอที่หลวงผู้เหรียญผู้หญิงันหนึ่งมาประเคียงของท่านท่านรับเลยเขาก็อดไปท่านก็มองหนะ้าฮะผู้หญิงเหรอดูยากนะงาอาศัยการหมายรู้อาศัยการหมายรู้ลงไปในมุมของความไม่เที่ยงบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอนัตตาบ้าง เพราะนขั้น แ, แรกเลยก็ต้องรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วต้องต้องมารู้กายรู้ใจเพื่อรู้กายรู้ใจแล้วต้องมองกายมองใจในมุมของไตรลักษณ์อย่าไปมองมุมอื่นถ้ามองมุมอื่นจะได้อย่างมากก็สมถะหรือไม่ก็เกิดกิเลสไปเลยยกตัวอย่างนะสมมุติว่ า, เ, าเราดูกายของเราเนี่ยเราดูให้เป็นปฏิกรูเป็นอาสุพะนี่เป็นมุมของอาสุพะ ไม่ใช่มุมของอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่ได้ก็ได้แค่ข่มราคะใจก็จะไม่ชอบร่างกายนีย่เกิดปฏิกิริยาทางลบไม่ชอบนกกรีพขึ้นมาไม่ชอบแต่ถ้าเห็นลลนะใจรักใจจะเป็นกลางไม่บวกไม่ลบเป็นกลางหรือเราดูจิตดูใจต้องเห็นใจรักไม่ใช่อยู่ๆก็ไปน้อมจิตให้ว่างไปดูความว่าง ดูความว่างแล้วก็งที่อยู่กับความว่างเนี่ยเห็นจิตเป็นของว่างดัง น, นั้นดูผิดแล้วต้องดูให้เป็นไตรลักษณ์จิตมันไม่ใช่ตัวเราอะไรเงี้ยติดมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้เพราะนั้นเวลาเรารู้กายรู้ใจก็ต้องรู้ให้ถูกต้องรู้ให้ถูกต้องตามไตรลักษณ์ถ้ามันไม่ยอมดูเป็นไตรลักษณ์นะก็าอาศัยสัญญาอันนี้จะสัญญาทุกขสัญญาหน้าตสัญญา คือน้อมใจไปหมายรู้ในมุมนั้นแทนที่จะรู้กายแล้วก็ทื่อๆหลายคนไปรู้กายแล้วก็เพ่งทื่อๆอยู่ที่กายเช่นรู้ลมหายใจแล้วก็เพ่งอยู่ที่ลมหายใจนี่ไม่เห็นใตรลักณ์ใช้ไม่ได้ได้แต่สมถะไปดูท้องพองยุบแล้วก็เพ่งอยู่ที่ท้องเฉยๆทื่อๆอยู่นั่นเองได้สมถะไปเดินจงกรมยกเท้ายั่งเท้านะก็เพ่งอยู่ที่เท้าได้สมถะรู้อิริยาบถสี่เพ่งมันทั้งตัวเลยได้สมถะ ต้องเห็นใจรักณ์ไม่ใช่ไปเพ่งตัวอารมณ์เราะฉะนนถ้ามันไม่ยอมเห็นใจรลักษณ์ต้องต้องระลึกถึงมันต้องน้อมไปต้องหมายไปเบื้องต้นก็อาศัยการช่วยช่วยมันหมายนะอาศัยคิดนํานิดหน่อยนิดหน่อยนะมีคําว่านิดหน่อยห้ามเยอะที่เยอะเรากลายเป็นฟุง้งซ่านพอมันนําร่องให้จิตนิดหน่อยแล้วก็ออกไปดูมันจะเห็นกลายเห็นใจแสดงใจรลักษณได้เองนะ ยันต้องเข้าใจนะไม่ใช่ว่ารู้กายรู้ใจแล้วจะเป็นวิปั ส, สนาเสมอไปหลายคนเข้าใจว่าถ้ารู้กายรู้ใจแล้วจะเป็นวิปั ส, สนาไม่เป็นหรอกจะเป็นอย่างพระนั่นะจะมีหลักสูตรนักธรรมเอกจะมีในนักธรรมเอกนะหลวงพ่อไม่ได้เรียนหรอกเรียนนักธรรมตรีในนักธรรมเอกก็จะสอนไว้มีว่ารู้รูป ร, รู้นามนั่นแหละอาจจะเป็นสมถะก็ได้ ไม่ได้เป็นมิปั ส, สนาต้องเห็นไตรลักษณ์มีสอนนะราันต้องเห็นไตรลักษณ์ท่านแรกเลยต้องรู้สึกตัวเพื่อจะรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจได้ถ้าไม่รู้สึกตัวจิตหลงไปคิดไปหลงอยู่ในโลกของความคิดรู้เรื่องราวที่คิดจะไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้รู้สึกตัวก่อนรู้สึกตัวก็รู้กายรู้ใจพอรู้กายรู้ใจแล้วอย่าให้มันเฉยๆอยู่แค่นั้นนะ ถ้ามันไม่ยอมเดินปัญญาก็ช่วยมันหมายรู้ลงไปนิดๆให่เห็นใจรักถ้ารู้สึกตัวเฉยๆแล้วยังไม่รู้กายรู้ใจก็มีนะบางคนเลรู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกเหวี่ยงนั่นแะอยู่ว่างๆไปรู้สึกอยู่ความว่างก็ใช้ไม่ได้อีกเพราะงั้นมันจะมีเป็นสเต็ปๆนะขั้นแรกก็รู้สึกตัวให้เป็นรู้สึกตัวจิตหลุดออกจากโลกของความคิดอันที่สองพอรู้สึกตัวแล้วเนี่ยต้องมารู้กายรู้ใจนะ ถ้ามันไม่รู้กายรู้ใจก็ต้องมานาศิการหมายถึงว่าน้อมใจไปถึงมันมานาศสิการถึงกายมานาศิการถึงใจน้อมไปรู้สึกกายน้อมไปรู้สึกใจไม่ไปอยู่กับความว่างบางคนรู้สึกตัวแล้วก็อยู่กับความว่างๆใช้ไม่ได้ดังนั้นขั้นแรกรู้สึกตัวขั้นที่สองรู้สึกตัวแล้วต้องรู้กายรู้ใจถ้ามันไม่ยอมรู้กายรู้ใจก็มานาศสิการเข้าไปที่กายที่ใจคอยระลึกถึงคอยนึกถึงกายถึงใจน อย่าลืมกายอย่าลืมใจไม่ใช่ไปอยู่ที่ว่างๆนนี้พอรู้กายรู้ใจแล้วเนี่ยต้องเห็นไตรลักษณ์นี่ขั้นที่3านะรู้กายรู้ใจแล้วต้องเห็นไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์อาศัยสัญญาลงไปหม่ไปหมายรูนะ้ดูลงที่กายนะในมุมอะไรที่เหมาะกับการดูกายในมุมของความเป็นทุกข์กายนี้มันมีแต่ทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะอย่าไปมองมุมของกายในแง่อนิด จ, จังดูยากเ้รนะาะอายุของกายมันยาวกว่าจิต กายมาอายุยืนกั่จิตรูปอายุยืนกว่านามนั้นดูความเป็นทุกข์ของมันกายนี้มีแต่ทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจออกหายใจเข้าเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่หายใจก็ทุกขนะ์ยืนเดินนั่งนอนเต็มไปด้วยความทุกข์ดูไปเรื่อยๆทำไมต้องเปลี่ยนอริยาบทเพราะมันมีความทุกข์บีบคั้นเรื่อยๆนะอันนี้เป็นการหมายเข้าไปหมายเข้าไปนี่ไม่ใช่ของจริงนะ หรือมองในมุมของอนัตตาร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนี่ไป็หมายเอานะนี่เรื่องอนัตตาสัญญาไป็หมายเอาอันนี้ยังไม่ขึ้นมีปัชนาแท้ๆนะมีปรัชนาแท้ๆไม่ได้เจตนาไป็หมายเอาแต่เป็นการนำร่องให้จิตซึ่งไม่ยอมเดินปัญญานั้นมันรู้จักการเดินปัญญารู้จักมามองไกลัก พอมันมองใจรักเป็นแล้วคราว น, นี้มันจะเห็นรูปนามนั้นแสดงใจรักษณ์โดยตัวของมันเองไม่ได้มีเจตนาตรงนี้จะขึ้นวิปัสสนาละนะจะเห็นรูปเกิดแล้วก็ดับไปเห็นนามเกิดแล้วก็ดับไปเห็นรูปแตกกระจายตัวออกไปนามแจกแตกกระจายตัวออกไปนะความเป็นกลุ่มเป็นก้อนของรูปนามแตกออกไปเรียกว่าคณะคณะคอร์คังนร์หนูคณะมันแตกนะ หรือเห็นความเกิดดับเห็นจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดับไปมีช่องว่างมาขั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดับไปมีช่องว่างมาขั้นอันนี้เรียกว่าสันติมันขาดนะตรงที่ขึ้นมีปัจนาเนี่ยบางคนเห็นคณะมันแตกคณะไม่ใช่ขอขอควายนะเป็นคอระคังคณะคอระคังนอนหนูเห็นคณะมันแตกนะเห็นสันติมันขาดนะ อย่างบางคนภาวนาเห็นไหมขันกระจายตัวไปที่หลวงพ่อบอกขันมันกระจายออกไปนั่นคือคณะมันแตกแล้วนะหรือบางคนก็เห็นว่ามันเกิดระดับวับมีช่องว่างมาขั้นนีสันตติมันขาดถ้าเห็นอย่างนี้นะจะรู้เลยตัวตนจริงๆไม่มีนะพอเห็นซ้ําแล้วซ้ำอีกจะรู้ว่าตัวตนไม่มีพอรู้ว่าตัวตนไม่มีนะใจหายใจกว่ําเพราะว่ารักตัวเองที่สุดพอตัวเองหายไปเลยตกรใจขึ้นมานะ ตกใจบางคนก็กลัวบางคนก็ตกใจบางคนก็เบื่อบางคนรู้สึกวงวางเวงิวงโงงโงงเนี่ยล้วนแต่อักษรบอแหวนนะวงวางหวิวหวิวโงวงโงงวันไหวนะเนี่ยอักษรชนิดนี้ล้วนแต่ไม่มั่นคงนะให้รู้ลงไปอิงรู้ลงไปรู้ลงไปที่ความรู้สึกกลัวรู้สึกเวงว้างนะรู้สึก เบื่อบางคนเบื่อนะเบื่อจับจิตจับใจเลยเบื่อทอนาไปช่วงหนึ่งเบื่อมากเลยเบื่อของนิ้พิทากับเบื่อของโทสาไม่เหมือนกันเบื่อของนิ้พิทานี่เบื่อด้วยปัญญามันเห็นว่าทุกสิ่งที่ปรุงแต่งน่าเบื่อหมดเลยหาอะไรที่น่ารักสักอันหนึ่งไม่ได้เลยหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้น่าเบื่อหมดสุขและทุกข์ก็น่าเบื่อเท่าเท่ากันกุศลและอกุศลก็น่าเบื่อเท่าเท่ากันนี่เบื่อด้วยปัญญาถ้าเบื่อด้วยโทสามันจะเบื่ออย่างหนึ่งมันจะไปเอาอีกอย่างหนึ่ง มันจะเบื่อทุกข์มันจะเอาสุขมันเบื่อกิเลสมันจะเอากุศลนู่นอย่างเงี้ยอันนั้นยังไม่ใช่ผลตรงการทำวิปัสสนาหรอกอ น, นั้นเป็นผลของกิเลสเนะนี่ยพอมันเกิดสภาวะเบื่อขึ้นมาเกิดสภาวะกลัวขึ้นมานะเกิดสภาวะหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ขึ้นมาให้มีสติรู้ลงไปอีกนะใจจะเข้าไปสู่ว่าเป็นกลางนะมันจะเห็นใจรัก ทุกอย่างมันเป็นไตรลักนะจะเบื่อหรือจะไม่เบื่อก็หนีไม่รอดหรอกเนี่ยมันจะเห็นเลยหนีไม่ได้ไปไหนขันห้ามันก็ไปด้วยถึงยั น, น่าเบื่ อ, อยังไงก็ทิ้งมันไม่ได้เห็นอย่างนี้ในสุดใจก็เป็นกลางอย่างแท้จริงนะเห็นแต่มันเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วดับไปมีแต่ของบังคับไม่ได้จะเห็นอย่างนี้ทราบซึ้งถึงใจใจเป็นกลางอะไรเกิดขึ้นก็สักว่ารู้สักว่าเห็นพวกเราชอบพูดคําว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นนะจริงๆไม่มีหรอก สักว่ารู้สักว่าเห็นจริงๆโน่นจะไปได้จริงๆตรงสังขารู้เบกขายานโน่นก่อนหน้านั้นไม่ใช่สักว่ารู้สักว่าเห็นจริงหรอกมันสักว่ารู้สักว่าเห็นแบบซื่อบื้อไม่ใช่สักว่ารู้สักว่าเห็นเพราะมีปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งเสมอภาคกันถ้าเห็นว่าทุกสิ่งเสมอภาคกันเนี่ยใจจะหมดแรงดิ้นเมื่อใจหมดแรงดิ้นก็คือหมดแรงปรุงแต่งหมดแรงค้นคว้าดิ้นหลนค้นคว้าหมดแรงแสวงหาะ หมดความปรุงแต่งหมดการแสวงหามันก็หมดกริย า, าการของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างเหลือแต่สภาวะธรรมล้วนๆนะเห็นแต่สภาวะธรรมล้วนๆซึ่งไม่มีคนไม่มีสัตว์เลยเห็นด้วยความเป็นกลางอย่างแท้จริงจิตหมดความปรุงแต่งนะถ้าอินทรีย์แก่รอบพอแล้วจิตจะรวมเข้าอัปปนาเองรวมเองรวมเข้าถึงอัปปนาเองใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นหนึ่ง ตัวนี้เป็นสัมมาสมาธิแท้เป็นหนึ่งเป็นธรรมเอกแท้แล้วตอนที่จะเกิดอริยมรรคงั้นในพระสูตรเลยสอนสติปัฏฐานหลายแบบแบบหนึ่งนะให้ทําสำมาธิก่อนจนใจได้ทุติยชานชานที่สองทำไมต้องชานที่สองเพราะในชานที่สองไม่มีวิตกวิจารณ์จิตพ้นจากการตรึกการตรองก็ เ, เหลือแต่การรู้ ถ้ารู้ก็ผุดขึ้นมาเรื่องเอโกที่ภาวะภาวะแห่งความเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งมีสัมมาสมาธิแท้ๆขึ้นมาพอจิตเป็นหนึ่งแล้วพอถอยออกจากฌานแล้วเนี่ยมารู้กายรู้เวทนาอะไรงนี้ไปจะเห็นกายเห็นเวทนาไม่ใช่ตัวเราเห็นได้นะนี่เป็นวิธีหนึ่งเห็นไปเรื่อยๆไปนะถึงวันที่พอจิตรวมก็เ อ, อปาปัญญาอีกมิหนึ่งนะเกิดอริยมรรคขึ้นอีกพวกหนึ่งไม่สามารถทําฌานได้นะให้ทําสติปัฏฐานไปเลย นะถ้าสูตรที่สอนให้ทําสติปัฏฐานไปเลยก็มีนะอยู่ในคำภีชื่อวิพังนะสอนดูเข้าไปเลยดูเข้าไปเลยนะให้รู้ไปเรื่อยรู้เข้าไปเรืนะ่อยท่านบอกว่าเนี่ยหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้นะจนกระทั่งหมดลมหายใจไปก็รูนะ้รู้เสร็จแล้วทําเอกจะผุดขึ้นไหมสมาสมาธิแท้ๆทําเอกจะผุดขึ้นนะจเจริญปัญญาไปก่อนแล้วสมาธิเกิดขึ้นมา การทำเอกเกิดขึ้นเนี่ยถัดจากนั้นจิตรวมลงอัปปนาสมาธิจะมีทำเอกตั้งแต่ในปฐมฌานในปฐมฌานก็มีทำเอกคือมีสัมมาสมาธิอยู่ไม่เหมือนตรงที่ทําสมถะมานะตรงที่ทําสมถะมานะั้นสัมมาสมาธิไปเกิดในชั้นที่สองในฌานที่หนึ่งบางคนก็เกิดอริยมรรคในฌานที่หนึ่งบางคนเกิดอริยมรรคในฌานที่สองในฌานที่สามในฌานที่สี่ ส่วนฌานที่ห้า8ซึ่งเป็นอรูปฌปานนั้นโดยเนื้อหาของมันก็คือฌานที่สนะมีองค์ธรรมสองอันเอกาคาตานะกะอุเบกขานะเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดนะั้นบางทีไม่มีรูปเหลือแต่นามร่ว น, วนๆเกิดอริยมรรคบางทีก็ยังมีรูปอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดในฌานตั้งแต่ฌานที่หนึ่งขึ้นไปหรือว่ามีสัมมาสมาธิเกิดขึ้น บางคนสับสนนะได้ยินว่าสัมมาสมาธิเป็นเรื่องของฌานก็เลยคิดว่าต้องเข้าฌานก่อนถึงจะมาเดินปัญญาในเข้าใจผิดฌานที่เราทำก่อนที่จะเกิดอริยามรรคไม่เรียกว่าสัมมาสมาธิก็เรียกว่าฌานธรรมดาสัมมาสมาธิจะเกิดในอริยามรรคเท่านั้นเปลี่ยนยากไปไหมทำไมวันนี้สอนยากเหลือเกินเวลาที่หลวงพ่อพูดธรรมะนะ ไม่มีผัวมัพูดออกมาจากใจใจของคนจะเรียนได้แค่ไหนทามามกออกมาแบบนั้นล่ะเพราะงั้นวิธีที่จะตัดตอนไม่ให้สอนเฉพาะพวกที่รู้เยอะนะก็คือต้องไล่ตรวจกันบ้านดีกว่าไหนไหนใครจะยกมือมีไหมยนูพ่อคะอ่ะยังไม่เล่าเยอะคนเนี้ยคือกล่าวเรียนถามเพิ่มพูนเมื่อกี้อาจจะตื่นเต้น คือคือช่วงนี้เนื่องจากว่าเห็นโทสะบ่อยเวลาที่แบบเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะครนี้พอเราเห็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าอา่าเราพอเรารู้มีโทสะเราก็จะพูดกับเขาดีขึ้นพอเราหายหายโมโหแล้วเราก็จะมานั่งดูหรือคิดว่าเอ๊ะเมื่อกี้เรารู้จริงหรือเปล่าเราอยากจะกอหลวงพ่อช่แนะนำรู้ลงปัจจุบันนะนะตอนโมโหก็ไม่รู้ไปรอบแนละตอนสงสัยยังไม่รู้ซ้าอีกรอบหนึ่งจนะให้รู้ลงปัจจุบันไปค่ะนะอะไรอะไรอดีตไม่เอาแล้วเอาปัจจุบันนะ S <S <S ไม่ต้องไปสงสัยออกว่าตอนที่พูดกับลูกมีโทสะไม่มีเป็นอดีตเอาปัจจุบันนะแม้ <S 2> <S 2> <S กิเลสมันจะหลอกเราไปสู่อดีตบ้างไปอนาคตบ้างให้ทิ้งปัจจุบันตลอดหน้าที่ของกิเลสทาแค่นั้นแหละ <S 2> <S 2> <S ให้เราลืมรู้กายรู้ใจอันเป็นปัจจุบันของคุณโดยพื้นฐานมันเป็นพวกโทสะดังนั้นโทสะที่มีกําลังกล้าเนี่ยคุณใจิตใจมันจะโลดโผนนะมันดูง่ายมันดูง่ายเพราะกิเลสโทสะมันเป็นของแรงดูง่าย เพราะฉั้นต่อไปนี้โทสะผุดขึ้นมารู้ทันโทสะผุดขึ้นมารู้ทันนะีโทสะพละเอียดขึ้นไปนก็เป็นแค่ความขัดใจกัดใจเล็กๆน้อยๆนะเล็กน้อยนะแค่ไหนเกิดขึ้นก็คอยรู้นะคอยรู้ไปอย่างนั้นเลยเราจะเห็นเลยจิตมีสองชนิดเท่า น, นั้นคือจิตที่มีโทสะกับจิตที่ไม่มีโทสะไม่ต้องดูจิตอีกอย่างอื่นอีก80ชนิดไม่ต้องไปดูมันนะีดูสองงานแน่จิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะดูอย่างนี้เนืองๆต่อไปก็จะรู้ทันอื่นด้วยะนะ คุณ น, นี่อยู่วัดว่าไปนวัสกันหลวงพ่อครับเห็นกิเลสเยอะครับส่วนใหญ่จะเป็นโมหะแล้วก็มีโทสะด้วยดีนะดีของคุณน่ะใช้ได้แล้วละ<ช>่ะใช้ได้นะทั้งสองคนเน<ช>ี่ยแต่ <ๆ S 2> ของผู้หญิงนั้น่ะวันนี้เครียดมากไปเวลามีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตเล็กๆน้อยๆก็เครียดแล้ว <laughs> อย่าเปลี่ยนที่นอนเท่านั้นก็เครียดแล้วให้รู้ลงไปนะผู้ชายไม่เป็นมากเท่านั้นขอบคุณครับผู้ชายพวกนกกมิ้น ครับน้ำม ก, กราร์นะอาจารย์ครับนี่จะมาเข้าเป็นครั้งแรกเขาอย่างนี้จับใหม่แบบนักร้องครับคือ <c ười> ปกติผมจะภาวนาเนี่ยมันจะอึดอัดขัดเครืองนะตอนหลังก็เลยใช้การดูอย่างเดียวก็คื <c ười> อภาวนาแล้วอืดอัดขัดเครืองเนี่ยเพราะเราไปกดไปข่มไปบังคับจิตใจนะถ้าเราตามดูไม่เป็นหรอกของคุณค่อยใช้ได้แล้วคุณตามดูไปเรื่อยๆใจมันค่อยๆตื่นขึ้นมานะ แต่ตอนนี้ไม่ไม่เป็นธรรมชาติหรอกไหมกับเออป็นผิดธรรมดานแข็งเกินจริงแล้วก็รู้ไปไปคมมันไห้กัของคุณใช้ได้แล้วกับรู้ไปเรื่อยๆอ่ะวันนี้ยกมือกรรมนรมาสการครับคืออยากจะถามปัญหาคือว่า คือผมเคยเห็นส ต, ติอิสานะครับกับบางครั้งก็ผมก็เคยเห็นเอโกทิภาวะตามที่หลวงพ่อพูดนะครับ <ừ. S 2> ผมอยากจะถามว่าเราควรที่จะเลือกแนวทางไหนหรือเปล่าหรือว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติให้มันเป็นไปตามธรรมชาตนะิทําความสงบบ้างอย่าให้ติดสมถะก็แล้วกันคือแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับผมปล่อยเออ ผมดูจิตไปเรื่อยๆนะครับทีนี้จิตมันเข้าไปพักนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งพอเข้าไปพักเสร็จแล้วเนี่ยอาการเพ่งลูกตามั่งที่คอหอยมั่งหรือที่ลิ้นเนี่ยก็เกิด อ, อาการหายไปเนี่ยครับถือว่าควรจะทำทำได้แลคืออันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราจงใจเข้าไปจิตมันเข้าไปเองใช่ไหมเราดูจิตของเราอยู่อย่างนี้แหละพอดูพอจิตมันต้องการพักผ่อนน้นมันจะรวมเข้าไปเอง ไปรู้สบายๆนะาะให้คุณรู้สภาวะลงปัจจุบันไปเรื่อยถึงเวลาเขาก็พักผ่อนเองยกเว้นบางช่วงจิตมันเดินสติเดินปัญญาแก่กล้ามากนะหมุนจีจีอยู่ทั้งวันเลยไม่ยอมพักเลยจงกระทั่งใจเรานี้คล้ายๆซื้บ้อไปหน่อยอย่างนั้นน่ะต้องน้อมใจเขาไปพัก ดั้นเราก็ต้องดูว่าช่วงนี้ควรจะน้อมใจเข้าไปพักหรือว่าช่วงนี้จะเจริญปัญญาเขาเจริญปัญญาพอสมควรแล้วเขาก็พักของเขาเองอย่างนั้นทําได้แม้กรรมฐานนะมันเหมือนกระดิ้นได้ทุกแง่ทุกมุมเลยพอทําเป็นนะอะไรมันได้หมดอะ่ะถ้าทําไม่เป็นนะทําอะไรมันก็ผิดหมดอ่ะครับแล้วอยากจะถามอีกอย่างก็คือครับคือผม ม, มองเห็นรูปนามในภายในรูปเกี่ยวกับอนัตตาอย่างเดียวนะครับออแล้วเรื่องทุกข์นี่ผมไม่ไมจเป็น จริตนิสัยคนไม่เหมือนกันนะพวกที่ปัญญาแก่กล้าจะเห็นอนัตตาปัญญามันล้ำไหมเห็นอนัตตาง่ายอ๋อแล้วปัญญามันล้ําเกินไปไ ม, ไม่ไม่ไมจําเป็นหมายถึงว่าจริตนิสัยเราเนี่ยนะมันสะสมมาท า, ทางด้านปัญญาเนี่ยกล้านะมันสะสมปัญญามาเพราะฉะนั้นเวลาภาวนาูกรู้กายรู้ใจอะไรเงี้ยจะไปเห็นอนัตตานะอย่างนั้นแหละดีแล้ว แต่ความจริงคำว่าไม่ใช่ตัวเราเนี่ยนะการเห็นว่าม mm ันไม่ใช่ตัวเราหรือการเห็นทุกมันเห็นได้ทุกมุมเลยนะบางคนเห็นทุกเพราะเห็นอนิจจังบางคนเห็นทุกเพราะเห็นทุกขังบางคนเห็นทุกเพราะเห็นอนัตตาเรียกว่าเห็นทุกเหมือนกันหมดเห็นทุกก็คือเห็นความจริงของรูปของนามของกายของใจว่าไม่ใช่ตัวเราในเบื้องต้นนะในเบื้องปลายจะเห็นทุกคือเห็นทุกก็คือทุกนั่นแหละทุก ไม่รู้จะทุกข์ยังไงเลยทุกข์สุดๆนะจนต้องสลัดทิ้งเลยนะเพรฉนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราภาวนาเราคอยรู้กายรู้ใจเพื่อให้เห็นความจริงว่าไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีนะตั้งเป้าให้ถูกนะเรารู้กายรู้ใจไปเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าตัวเราไม่มีไม่ใช่เพื่อบังคับตัวเองเพื่อบังคับกายเพื่อบังคับใจใช้ไม่ได้นะ และเรารู้ไปเพื่อให้เห็นมาตัวเราไม่มีเห็นกายก็เห็นร่างกายมันทำงานไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตมันก็ทำงานไปมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเห็นอย่างนี้มองให้ถูกมุมเพราะด่านแรกของเราต้องละสักยัตทิจิไม่ต้องไปมองมุมว่ามันเป็นทุกข์ล้วนๆหรอกนะมองยังไงก็ไม่เห็นไม่สามารถไม่มีใครสามารถนะ ในขั้นโสาสกิทาคาเนี่ยไม่มีใครสามารถเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้น้วนไม่มีใครสามารถเห็นว่าจิตเป็นทุกข์ล้นล้วนพระอนาคามียังไม่เห็นว่าจิตเป็นทุกข์ล้นวนเลยเฉะนั้นเป้าหมายแรกของเราไม่ต้องไปดูว่ามันเป็นทุกข์ล้วนหรอกเป้าหมายแรกของเราดูให้เห็นว่าตัวเราไม่มีนะต้องดูตัวนี้นะไม่งั้นคล้ายๆชกหวยข้ารุ่น ดูลงไปร่างกายมันทํางานไม่ใช่เราทํางานร่างกายมันยืนไม่ใช่เรายืนร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินร่างกายมันนอนไม่ใช่เรานอนร่างกายหายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจนะดูอย่างนี้นอาศัยการได้ฟังธรรมะอย่างนี้นําร่องให้จิตจะนําร่องให้จิตเพราะนั้นเวลาต่อไปเวลาเรารู้สึกกายเราก็จะเคยได้ยินหลวงพ่อพูดแล้วว่าเฮ้ยต้องรู้นะมันไม่ใช่ตัวเราต่อไปนั่นใจมันจะไปหมายลงไปว่ามันไม่ใช่เราเป็นเอง เพราะพวกเรานี้อยู่ในสาวะกภูมิเรารู้ขึ้นมาเองไม่ได้อาศัยการได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าถ่ายทอดกันมานี้แหละนำร่องให้จิตแล้วเรารู้สึกตัวแล้วเราก็ดูลงไปที่กายเห็นกายมันทํางานไม่ใช่เราทํางานอันนี้เวลาที่ไปเห็นจริงๆไม่ต้องพูดไม่ใช่นั่งพูดไม่ใช่นั่งบรรยายนะบางคนยังสายอภิธรรมชอบเรียนอภิธรรมนะชอบไปนั่งบรรยาย เช่ น, นเห็นรูปมันนั่งอยู่ น, นี่นั่งก็บอกนั่งเป็นรูปรู้เป็นนามอันี้คิดแล้วนะนั่งเป็นรูปรู้เป็นนามน่ะฟุ้งซ่านนะมันรู้เองแต่ว่าอาศัยการได้ยินได้ฟังอย่างเงี้ยแต่อย่าไปคิดเอาพอเรารู้รูปปุ๊บเราจะรู้สึกขึ้นมาไม่ใช่เรารูปนี้ไม่ใช่เรารู้สึกเองอาศัยการได้ฟังธ ma, รรมะนั้นนาร่องให้จิตมันจะรู้สึกขึ้นมาไม่ใช่รู้จิตไปคิดขึ้นมานะ ตรงรู้สึกเอากับคิดเอานี่อธิบายเป็นภาษามนุษย์ยากที่สุดเลยเป็นสภาวะที่ที่ยากมากที่จะเข้าใจแต่ถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะเส้นทางเดินนี้รัดสั้นนิดเดียวเลยรู้สึกเอาไม่ใช่คิดเอาอย่าเชื่อความคิดนะให้รู้ความรู้สึกถามว่าแล้วเราเชื่อความรู้สึกไหมไม่เชื่อแต่ให้รู้ความรู้สึกไม่ให้เชื่ออะไรทั้งสิ้นเลยนะไม่ต้องไปเชื่ออะไรสักอย่างอะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวเลยดูซิความรู้สึกทั้งหลายรู้ลงไป มีแต่เกิดแล้วก็ดับเป็นเองไม่คิดเอาไม่คิดเอาดีภาวนาไปนะแต่เดิมติดสมถะอย่างแรงแต่นี้ใจค่อยคลายออกแล้วใช้ได้อาจารย์ใจร้ายนะใช้ได้แล้วนะภาวนาดีผิดถูปิดตาตั้งแต่โรงเรียนปิดพอไม่ต้องไปสอนนักเรียนเลยภาวนาสบายขึ้นอ้าวใครจะยกมือเชิญได้อยู่อะถอยไปข้างหลัง ตรงไปข้างหลังเท่านั้นอา้าคุณนี่ได้แล้วก็เอาได้เชิญข อ, อนามสการหลวงพ่อครับผมแยกความคิดกับตามรู้ไ ม, ไม่ถูกครับหลวงพ่าคือเรื่องราวที่คิดเนี่ยอันหนึ่งนะอาการที่จิตคิดเนี่ยอีกอันหนึ่งแยกหัดแยกสองอันนี้เรื่องราวที่คิดคุณรู้จักเรื่องราวที่คิดไหม เราก็คิดทุกเรื่องอ่ะเราคิดเป็นเรื่องๆรู้สึกไหมเรื่องที่เราคิดเนอะเราทําอย่างโน้นเราทํางี้เราจะไปโน้นเราจะไปเนี้ยอันนี้เรียกว่าอารมณ์บัญญัติเป็นเรื่องที่ปลุกขึ้นมาอย่างใช้ไม่ได้นะเพราะฉั้นถ้าเราไปรู้เรื่องราวที่คิดเนี่ยเราหลงไปรู้แต่คุณต้องคอยรู้จักอาการที่จิตแอบไปคิดรู้ทันจิตจิตนี้เป็นตัวอารมณ์ปรมามัดถ้าเรารู้ทันจิตนะถึงจะใช้ได้อย่างตอนนี้จิตของคุณไปคิดรู้สึกไหม ให้รู้ทันว่าจิตไปคิดไม่ต้องสนใจเรื่องราวที่จิตคิดนะเนี่ยคุณไปสนใจเรื่องราวที่จิตคิดอีกแล้วเห็นไหมพอฟังหลวงพ่อพูดใช่ไหมคุณต้องคิดตามใช่ไหมก็สนใจก็ไปคิดตามจิตเราไหลไปคิดเราไม่เห็นว่าจิตเราไหลไปคิดนะหัดแยกตัวนี้นะเดี๋ยวจะตอบคําถามของคุณได้หัดแยกไปดูสภาวะเป็นแล้วถึงจะแยกออกแต่ที่ผมกําลังภาวนายอยู่ พอ <P an throp od> ใช้ได้นะครับภาวนานี้ใช้ได้ทั้งทั้นแหละนะไปเรียนมาจากไหนอ่านอ่านหนังสือครับเพราะอ่านหนังสือแล้วก็ฟังเทปธรรมะรู้สึกไหมขนาดนี้ยังไม่รู้ตัวเต็มที่มองออกไหมรู้สึกไหมจิตขนาดนี้มัวมวไปหน่อยรู้สึกไหมมันเบลอเลอมันมัวมวเห็น ไ, ไหมเนี่ยจิตมีโมหะแทรกอยู่ให้เรารู้ทันเข้าไป อะไรเกิดขึ้นในจิตในใจเราหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆนะมันจะยิ่งถูกมากขึ้นมากขึ้นดีนะฝึกอยู่ใช่ได้นะะเชิญเชิญโยมไปทานข้าวก่อนนะนิมนต์ครับนิมนต์